ฟังรมกันเนาะพวกเรารือว่าพวกเราสามก็มีความเห็นเหมือนกันออกจากบ้านจากเรือนมาอยู่วัดวาลามมาที่นี่ก็มาปฏิบัติงานปฏิบัตทิทม ไม่ว่าเวนเอากายเป็นสถาบันเอาใจเป็นสถาบันเอาวาจาเป็นสถาบันให้เกิดความเนธรรมขึ้นมาทุกกรณีเราก็ใช่กายเป็นประจำมีใจอยู่ในกายเป็นประจำมีวาจาที่เป็นทวานเป็นประจำ เพื่อสร้างทมให้เกิดขึ้นนอกจากนั้นก็มีธรรมประสาบันมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีความมั่นคงชัดเจนแม่นยำมีปัญญาเป็นสถาบัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาให้บรนสมกชื่อว่าที่นี่สถาบันสติประฐานรสป่าชุกโตแล้วก็สถาบันนันนี้สิทธิส่วนตัวเช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลายิ่งมีวิชากรรมาฐานยิ่ง สนุกดีประกอบได้ทุกโอกาสสัมผัสกับธรรมได้ทุกโอกาสความเป็นธรรมก็มีได้ทุกโอกาสจึงเรียกอย่างเต็มใจแต็ตม บ, บาปนสถานน่ารายอ่อคือชีวิตของเราทั้งหมดออกมาทำให้เกิดความเป็นธรรม อะไรที่เกิดขึ้นนอกจากกายจากใจเราก็ให้เกิดความเป็นธรรมทุกอย่างแม้จะมาล่ายก็เป็นธรรมเป็นดีได้วัติบัตินี่ก็ยิ่งเกินกำลังอีกมาผิดเป็นถูกที่เหมือนเกิดขึ้นกับกายเรานี่ยมันหลงเป็นรูมันทุกเป็นรูมันโกรธเป็นรูมันอะไรที่มันเกิดขึ้นมาให้เป็นรูได้ทั้งหมด มันจะนี้ไปไหนได้มั่นใจในการใช้ชีวิตที่อยู่ในโลกโลกจะมีมาแบบไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไรดินฝ้าอากาศทิวทัศองจะเป็นอย่างไรแต่ชีวิตเราเป็นชีวิตอยู่เสมอเป็นสถาปันอยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง ปฏิบัติเป็นสถามันทั้งหมดของชีวิตเราแล้วก็เหนือการเกิดเจะเจ็บตายได้สิ่งที่เราทำได้ต้องไม่ทำสิ่งที่ทำไม่ได้ไปทำซึ่งไม่มีประโยชน์เสียเวลากับความโกรธความโลภความหลงความทุกข์ความล่าความจัองความผิดความถูกอ้อผิด เยอะแยะมาแล้วเห็นกันทุกคนว่าแต่มีสติก็เจอหน้าความผิดเปลี่ยนว่าเป็ น, เปลนลูกแล้วก็บเรเดียนบทประสบการณ์ของเรามีมาแล้วเสียเปรียบความทุกข์ทีเกิดขึ้นจากกายจากใจเราเองเอามาเป็นทุกข์ไม่เอามาเป็นธรรมเลย แบบนี้ก็มีโอกาสว่าเปลี่ยนลายเป็นดีทำมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวึกทับถมความไม่ดีออกกับจิตของเราได้เหมือนน้ำห่าที่ไหลหลากมาอย่างมากไปหัดเท้าเฉียงต่างไปถ้าปฏิบัติเปนสถาวันปฏิบัติดีเป็นสถาวันปฏิบัติตรงเปนสถาวัน ปฏิบัติออกจากทุกเป็นสถาบันปฏิบัติสมองเสมอเป็นสถาบั น, นก็พัดพาอาวิตไม่ดีไปด่าความันเกิดขึ้นทีเดียวก็ทําที่เดียวนี่เกิดขึ้นที่กายก็ทํากายวันเป็นสถาวันเป็นควงเป็นธรรมขึ้นมาเกิดขึ้นที่ใจก็ทําใจให้เป็นสถาวันเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาไม่ใช่อยู่คนละที่ ของหลงมาพ้องกับความรู้ความทุกข์มาพ้องกันกับความรู้ความโกรธมาพ้อมกันกับความรู้จิตเดืตัณหามาพ้อมกันกับความรู้มันไม่ยากเด็กว้สงใเลยนะมันพบของจริงแค่นี้จะผ่อยไปยังไงชีวิตเราเวลาใช้อะไรเดินท่าตอะลัง เป็นพลาเราจนหนักความเบามันมีโอกาสก็มีแล้วเมื่อเพื่อนมิตรก็มีแล้วสิ่งเวิเร์ดล่องโกพอที่จะเกิดความสะดวกในการทำให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นมาได้จะหาโอกาสใดอ้างอะไรอยู่ ห่วงอะไรอยู่มันจริงไหมสิ่งที่เราห่วงจชื่อเราไปเสียเวลากับมันมันส่งเสริมให้เราไาาด้เกิดความบปนธรรมหมาหรือไม่แต่มุดล ง, งไปในความหลงความเป็นอธรรมมุดอยู่นั่นเลยหวานถอนมุดอยู่ในพูดเขียขึ้นมาก็เด็กหัวลงไป ถึง ป, ประกาศต้งงตระงอภิจารปรกาศต้งต้ ง, ต ง, ตงในทางสี่แยกค้าแยกอารมขยะปรมาราภะว่ า, าไม่มีโลกเป็นลาภันประเสริฐ <c oughs> เราก็ได้เย็นกันทุกคนเกิดมาได้เย็นครว่าบุญคือบุญหรือบาปบุญนำไปสู่สุคติบาปนำไปสู่นรก ธรรมอธรรมมีมีผู้บอกผู้สอนใจะยินอยู่อย่างที่เราเห็นเห็นกันเห็นเล็กน้อยเลือกโ อ, อนแล้วโอนพ่อแม่พาไปวัดไปว่าบางทีเห็นพระเห็นสงพ่อแม่บอกชกมืวไหวมาโก็ไหวก็กล่บมถูกสรนมาแต่แมาทำไม่จเจริญ ในบางทีก็มีได้บางคนก็เป็นได้เราจึงมาใช้โอกาสที่มันมีอยู่นี่เวลานี่เป็นเวลาส่วนตัวโอกาสนี้เป็นส่วนตัวกายก็เป็นส่วนตัวใจก็เป็นส่วนตัวชีวิตทั้งหมดรอบข้างเราเป็นส่วนตัวให้ผีวิทย์เป็นส่วนตัวกันให้มากที่สุด สิ่งที่จะทำให้เราเป็นพระบางทีคนอื่นก็ทําให้เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวใช่ส่วนตัวให้เกิดความเป็นธรรมเรายัางไงพวกเรานะ่ยจะอยู่ที่ไหนกันการนั่งอยู่นี่จิตใจอยู่ที่ไหนเป็นรูปเป็นนามบทนำ ม, มาอยู่ที่ไหน อะไรเป็นสิ่งที่มาให้ลูพ่พยานอยู่ด้วยกันกรรมฐานนี่แหละยกมือเคลื่อนลู้สึกเคลื่อนไหวไปมาลู้สึกอยู่นี่ลวบรวมไม่เป็นหนึ่งเดียวเราทำอย่างนี้ก็เหมือนกับเรารับผิดชอบทุกสภาสิ่ง เราทำอยู่นี่ทําให้เศรษฐกิจดีก็ว่าได้เราไม่เปลี่ยนเียนอะไรไม่ทำอะไรให้เดือดร้อนเองก็ไม่ใช่อะไรพุ่มเพื่อพุ่มเพื่อําทำให้เรายุ่จยากใช้ชีวิตอย่างประหยัดคบองจรสดงออกทางกาก็าไม่จะมีอะไรเดือดร้อนเป็นประโยชน์ แต่ความคิดก็เป็นประโยชน์มีเมตตากุณาเป็นพลังอันสำคัญอปปัญญาธรเมตตากุณาไม่มีขอบเขตเมื่อมันเป็นสถาบันขึ้นมาก็แสดงออกถึงความดีเรววาสร้างสิตระก็เสริมพลังแรงงานเข้าไป ถ้ารวบรวมดีๆจะไม่นานปฏิบัติธรรมเปิดดวงตาเห็นธรรมได้ตื่นได้กระโดดได้เป็นพลังแห่งการกระโดดความรักความชางกักขังมาอยู่กิเลสปัญหากักขังมาอยู่ถึงสุดยอดกอดมงกุฎธรรมด้วยหัไทยในชีวิตไม่นานน่ ชีวิตไม่เป็นอะไรอะไรหลุดพ้นทุกอย่างมีทางเป็นไปได้อย่างนี้ปฏิบัติทมเราจึงมาพูดกันตัดเดินนี่แต่ตรงนี้ไข่ตรงนี้กันอยู่ทุกคนก็อยู่ที่เดียวกันตั้งโ้นจากที่เดียวกันตั้งโ้นจากวิชาคือความไม่รู้รู้ไม่จริง หลงไม่มีความเป็นจริงให้เกิดวิชาขึ้นมาคนเจอเจ้าสู้ที่ตรงนี้ให้คนเจอเจ้าสู้ที่ตรงนี้ทําบ้ทุกคนมีสติปัญกาอยู่เป็นประจำเถินที่พุทธเจ้าคุยทางไว้แล้ว หงายของที่ขั้มขึ้นแล้วเปิดของที่ปิดออกแล้วเฉือนส่วนที่เป็นชิลิวทิ้งหมดแล้วประกาศอ้องแล้วมันเป็นอย่างนี้มีสติปัญกาอยู่เป็นประจำลงที่ตรงนี้ตั้งที่ตรงนี้วางที่ตรงนี้เห็นอะไรที่เกิดกับกา สิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เขือนไปหมดแล้วเห็นได้เห็นสักตวว่ากายวัชรสัตว์อุคนตัวตนเราเขามาทางนี้บอกมาทางนี้ขี้แล้วเห็นสุกเป็นกั์เกิดขึ้นที่กายที่ใจามาทางนี้ สักว่าเวทนาสักว่าสุขสักว่าทุกไม่ใช่จัดบุคคลตัวตนเราเขาขับมาทางนี้จิตที่มันคิดขึ้นมาก็เห็นมันนั่งอยู่นี่เป็นเป็นรูปเป็นาธาตุเป็นมหาพุทธลูกเป็นลูกอาศัยสิ่งทำให้สิ่งอื่นเกิดขึ้นที่นี่มากมา่ ว่าต่มีะติก็ตั้งหลักตอนนี้ก็โดยเห็นวันมันเกิดคิดขึ้นมาก็โดยรู้มันไดยสอนจิตที่มันคิดไปให้มันเกิดความรู้ขึ้นมานั่นสัจธวรมจิตไม่ช่สัตว์บุคคลตัวตนหลเขาอยอมามาอาเอาใความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์แต่ก่อนมันเป็นอย่าง น, านั้นเอาความคิดมาเป็นสุขเป็นทุกข์ อนนี้ยความคิดมาเป็นความรู้สิบตัวสอนแล้วสอนอีกมันก็มีให้สอนแล้วมีให้สอนอีกบอกแล้วบอกอีกแช่แล้วแช่อีกจุดแล้วหลุดอีกพอเกิด ค, ความชนานาญก็เห็นธรรมที่เป็นกุศลบางที่ความคิดที่มันเกิดจากกิตเป็นท้าวัของกิดมันก็พาเป็นอรธรรมได้ อย่าไปหลงอีกเกิดได้หลายอย่างวันจะงมดวามสุกก็เกิดขึ้นมาก็อย่าไปหลงวัมทุกข์จคกจบดก็จ ะ, จะทุกขกับความชิดอย่าไปหลงให้มีความรู้สึกตัวลงพื้นที่แทนหัดใช้ให้จัดใ้หัดใช้ความคิดให้เกิดความบป็ธรรม มันใช่สึงที่มัเกิดขึ้นปลายกับใจให้เกิดความเป็นธรรมมันก็มีไม่มากเกิดนันเกา่าเกิดแล้วเกิดดีก็ดับมันนันเกา่าดับแล้วดับอีกมันจะมันจะไม่เหลือเหมือ น, นยอดคาที่เกิดขึ้นในป่านี่ถางแล้วถางอีกถากแล้วถางอีกก็ไม่มีสักเส้นเลย อันนี้อันที่มันเกิดกับกากับใจนี่มาแต่เป็นโกดโกรดโลภหลงคดตัณหาเกิดขึ้นยิ่งไม่จริงใหญ่ไม่จริงจริงจริงมันก็อยู่ไม่ได้ความลูภสิกตัวจริงกว่าความหลงไม่จริงความทุกข์ไม่จริงความโกรธไม่จริง ว่าไมทุกข์ว่ไม่โกรธก็ไป็นหลกวันจริงเสมอหลักเดียวนี้ไปได้ตลอดเหยียบเส้นทางเส้นเดียวไปถึงจุ๋มไอปลายเถามีสติเป็นกายเมื่อมีสติมากเปลี่ยนหลงเป็นลูกเปลี่ยนโกรธเป็นลูกเปลี่ยนทุกข์เป็นลูกก็เกิดไหลจิขาขึ้นมา สมบูรณอินทรีย์ขึ้นมาอะไรก็รู้ขึ้นมามัเกิดการสํารวมอินทงงนนกกรยีย์เราหัจะบุกรด้นกายใจเมื่อสมบรวมอินทรีย์ได้มีสติเป็นตาลอบอยู่ก็ <c oughs> เกิดตจจิตขาคือสิ่ขึ้นมาสมาธิปัญญาขึ้นมาสินก็กำจัด สิงที่เป็นจริงไม่ดีให้หมดไปตามกําลังของสึงสมาธิปัญญากรมจัดจลิตความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับปากก็ใจให้หมดไปตามกําลังของสมาธิปัญญาเกิดมากเกิดผลขึ้นมาคิดถูกต้อำถูกพูดถูกเกิดทำขึ้นมาจากผู้ปฏิบัติไม่ใช่อ้นอนวอนไม่ใช่ ปรารถนาอนไรปาฏิาริย์คือทำลงไปไม่มีวิธีอันไร น, นอกจากการกระทําการกระทํำเท่านั้นที่เป็นกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์จะนกชีวิตของเราไปสู่ความดีความชั่วเวลานี้ามาทําความดีมาทําความดีก็มาร้าความชั่วภายในตัว อุปกรณ์ทาให้ทำอุปกรณ์ที่ทำความดีอุปกรณ์ที่รับความชั่วก็คือสตินี้ความรู้สึกตัวนี่เมื่อมีความรู้สึกตัวก็ทำความดีเมื่อมีความรู้สึกตัวก็รลบความชั่วเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็บมิสุดหมดจด ไมนใช่ว่าเป็นเรื่องยากเป็นทัองที่ทำได้ตัดไว้ดีแล้วปฏิบัติได้ให้ผลได้ตามที่ควรใจผู้ปฏิบัติตามทำเผู้ปฏิบัติต้องทำเองทำให้กันไม่ได้ร้บผิดชอบตัวเองเต็มที่ ต้องทงเองหลงเองก็ต้องรู้เองสุขเองก็ต้องรู้เองทุกข์เองต้องรู้เองอะไรที่มเกิดขึ้นมาอย่าเพึงไปหลงอย่าไปติดหวงซ้ายฝังขวาให้รู้ให้เห็นาว่าที่รู้เห็นนี่เป็นกลางเป็นธรรมมันจึจะผ่านได้ถ้าเปิดเป็นแล้วก็จิตฝังซ้ายฝังขวาไปไม่ถึงเหมือนท่อนจงล้อตาม ลอยแม่น้ำอาวุธที่ดูสึกตัวนี่เหมือนท่อนจุงร้อยอยู่กลางแม่น้ําไม่ติดฝังซ้าก่อนขวาอาจจะผ่านอะไรได้ได้ไวกว่าท่อนจุงที่ติดฝังซ้าก่อนขวาติดชุกก็บวมาติดทุ ก, ก็วมหัดชุกควมชุ ก, ก, ม ก, ก, ม ก, ก็ต้องยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางความทุกข์ก็ยิ่งกับขัง ยึงมีสติอาศัยกรรมฐานเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือมาททำได้ทุกรูปแบบหายใจก็รูดด้พิบตาก็รูดด้คเื่อ น, น้ำลายก็รูดด้ยืนเดินนั่งนอนก็รูดด้ <c oughs> เอาหายใจให้เกิดประโยชน์ ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งหมดทีด่อยู่ในรูปในนามนี้หาดใช้ให้เกิดประโยชน์ตาเห็นรูปก็หัดใช้เกิดประโยชน์หูได้ยินเสียงก็หัดชใช้เกิดความเป็นธรรมเกิดประโยชน์ขึ้นมาทุกรูปแบบมันเกิดขึ้นมาให้เราได้ใช้มันที่ยิบก็ว่าได้ เวลาเราฝึกรรมฐานสิ่งที่ผิดที่ถูกมันให้เราได้ใช้ได้เห็นได้เรียนรู้ได้บทเรียนได้ประสบการณ์จากสิ่งที่เกิดขึ้นจะไปกับใจเราจนลูกก้นบึ้งของมันมันคืออะไรเห็นเป็นรูปเป็นนามเป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเป็นหมารูปน้องกด แสดงออกมามันเป็นอาการธรรมชาติจางไรเจตหมายไปทำรืออะไรเห็นว่าจบเรื่องรูปเรื่องนาวแค่ไหนเพียงไรไปทางไหนอะไรที่เป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นอาการถ้าเป็นอาการก็จบเป็นธรรมชาติมันถ้าไม่ใช่เป็นอาการเป็นตัวเป็นตนก็จบไม่เป็น เอามาเป็นสุขเป็นทุกข์จากอาการที่เกิดกับลูกพม่านได้าเห็นเรื่องของลูกพ้ํานตามความเพศความจริงวงบอกไปถึงความไม่เทียกความเป็นทุกข์เพาะไม่ใช่ตัวตนของลูกพมํานเกิดกันแล้วตั้งอยู่ดับไปไม่เลี่หายไปอะไรที่เป็นอาการธรรมชาติวางลงจบ นานแล้วมันก็จบตรงนี้ได้จบเรื่องรูปเรื่องน้ําธรรมชาติอาการมันมีแค่ไหนเพียงรายอาการของรูปก็มีอาการของน้ําก็มีแต่ว่าเราไปยึดว่าตัวว่าต้นนั้นจบไม่เป็นพระเป็นภพเป็นภูมิต่างๆที่มาเกิดกับรูปกับน้ํามนี่ ถ้ามีอะไรทีแน่นหนาเข้าไว้ผูกมัดเข้าไ ป, ไปสมมุติเป็นบัญญัติมาเป็นตัวเป็นตนชอบไปชอบไปกันใหญ่ทำตามมันเป็นทุกข์เป็นทุพพลภามีจนเกิดวิถีาฉีพขึ้นทุกรูปแบบเพราะไม่เข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามไปให้ทำชั่วห้ทำผิดพลาดเดือดร้อนใจผู้อื่น สิ่งอื่นวัตถุอื่นได้เราจึงมารับประชอบกันมาฝึกกรรมฐ า, านนี่ก็เหมือนกับรับประชอบอะไรทุกอย่างถ้าเรารับประชอบตัวเองก็เกิดความดีจากตัวอย่างนี้มากมายหลายอย่างความดีที่เกิดจากลูกโจ้าน้ำเป็นประโยชน์ต่อโลกเป็นประโยชน์ต่อ ยาตเป็นประโยชน์ต่อาศาสนาถ้าเรามารับผะชอบอาการที่เกิดกับพวกลูกนามเป็นทุกข์เป็นโทษแกอตัวเองและคนเดินเกิดรอดมันก็ตั้งต้นทีน่นี่ต่อบบนุทนคนวิดามาดาก็ตอบแนทนคนคนติ๊แบบนี้เอาลูกวัวนามมาทำอย่างนี้มละความชั่วทำความดี คนวิดามันดาคนขัวบาอาจารย์ก็อยู่ที่รูปที่นามนี่มาทำความดีไม่ใช่ไปคิดที่จะต้องคิดถึงกราบไหว้ว่าจะกราบแต่แตว่าปฏิบัติธรรมไม่ทำก็ไม่มีประโยชน์เหมือนอาจารย์เจ้าคุณพุทธาตว่าสมัยนี้ผู้คนเอาแต่กราบไหว้บอกบอกให้ประพฤติธรรมแล้วก็หู ข้าไม่ถึงไม่แต่รูปคามปะพี่เปลือกไม่ถึงแก่นยืวิตของเรานี่ก็อันเดียวกันหมดนะเราเราความช่วยทำาวมดีก็เพืับช่วยชาติบ้านเบืองทำาิตให้บริสุทธิ์เป็นที่พึ่งของถูกสับพัิจดาย รักล okay, <ante S 1> ูกรังเมียก็ให้เป็นคนดีอย่าลูกว่านามไปทำชั่วผู้ชั่วเชิดชั่วรักพ่อลักแม่ก็เป็นต้องเป็นคนดีอย่าลูกว่านามไปทำชั่วผู้ชั่วเชิดชั่วรักพี่หลักน้องรักประเทศชาติบ้านเมืองรักศาสนาก็คืออย่าเอาลูกวนามนี่ไปทำชั่วผู้ชั่วเชิดชั่วศาสนาคือคนเป็นคนดี คนท่าคนเป็นคนดีเมื่อก็มีทวารทํามดีเกิดขึ้นมากมายคนดี ค, คนไม่มีทุกข์ไม่มีปัญหาบริสุทธิ์หมดจบจากเครื่องสมองก็เกิดความเมตตามขึ้นมาอยา่างไยอย็ตถาถมเจริญคือคนมีศีลไม่ทำทำเกิดขึ้นจากคนทด่ทุกรูปแบบ พิพิธมาสร้างกวามเป็นธรรมศาสนาก็เจริญศาสนาเจริญไม่ใช่วัดใหญ่ๆโตๆเพราะสงเหลืองอาลามมากมายนั่นก็ไม่ใช่ศาสนาจริงๆศาสนาคือคนเป็นคนดี <c oughs> ยังมีข่าวหนังสือพิมพ์ ตลอดเวลาเจ้าคณะตำบลพระครูเจา้าวาดเล่นการพนันหัวสมการพนันกับหมู่ญาติโยมจับได้ไปสึกไต่าอาปลาใัยแต่พระสงฆ์ที่เป็นรูปแบบ มันก็ไม่มีที่พึ่งจริงๆพระสมฆ์ที่เป็นเนื้อนาะบุญของโลกคืออะไรปฏิบัติเป็นสถาบันปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบั ต, ติตออกจากทุกข์ปฏิบัติเป็นสถาบันจนเป็นที่เกิดแห่งความเป็นธรรม นี่คือเนื้อนาบุญของโลกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเราคือลูกคืนามคือกายคือใจจนีนทุกชีวิตเนี่ยม่ใช่ยอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่เราเนี่ยน้อมมาใส่เราทุกคนน้อมเอาความเป็นสงที่จะบุญของโลกมาใส่กับชีวิตของเรามาทำ <c oughs> <c oughs> ก็เกิดอเนจฉงสั่งสองฝ่ายผู้ให้ก็ได้อเนจฉงผู้รับก็ได้อเนจฉงได้มีชีวิตเพื่อทำความดีเพื่อบอกพระสอนสอนเพราะว่าเจ้าโยมเป็นผู้มีภาระมีจิตอันมากภาระอ่านมากตามหน้าที่เรื่องลูกเรื่องหลานอาจจะไม่มีโอากาสทําความดีได้มากกว่าพระสงฆ์ที่เป็นส่วนรวม เราสงเป็นโอกาสทำ功德ได้มากจึงเรียกว่านาบุญของโลกไปเใช่ไปเล่นการพ น, นันไม่ใช่ไปเอาวิศีกผิดธรรมหยาดสาจะเลือนวิอยู่เย็นเป็นสุขเพึ่งขว้าสายได้อยู่ที่ไหนก็ทำความดีเหมือนกันหมด ยี้มของทีวิทยิ้ยของรูกพนามไปอยู่ที่ไหนก็ทาความดีทําให้อุ่นใจวพระพุทธเจ้าอุ่นใจเมื่อมีสารีบุทมุกคลานะศรีบทอยู่ทานดาทิศไนพุทธบริษัทกมนน็มั่นคงมุกคลาอยู่นาที่ใดพุทธบริษัทก็มั่นคง อุ่นใจเพราะสารยบุตรทาความดีมุกขลาน้าทาความดีให้ออกกรยายไปสู่หมู่พุทธบริษัทพุทธบริษัทเขาจเจริญในความดีมากขึ้นวานุนลัลลทธะหลายโลกที่มีความดีทํำให้พระเจ้าอุ่นใจไปทำความดีคนเรที่ลรทางกว่า สองอยู่วก็ทำความดีญาติโอยู่บ้านก็ทำความดีหน้าที่ของญาติโก็ทำไปอันที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่มีความดีก็เกิดเดือดร้อนยิ่งสุวนี้ียาเสพติดมีทุกรูปแบบสุดโตมอมทาคนที่คิดจะให้ คนหลงนี่มีมากได้ประโยชน์จะคคนหลงถ้าหลอมไปมีหลักของชีวิตแล้าก็ติดรสของโลกได้นีกลิ่นก็ทำให้ติดนี่รสก็ทำให้จิตอะไรต่างๆถ้าไม่ป็นญาเสบติดได้งานรสของโลกแบบอาหารก็ทำให้เสบติดได้ซึ่ง อยู่นี่ก็ได้ต้องพัฒนาฝึกพัฒนาชีวิตของตนเองให้ให้เป็นเจตถาวันอย่าวันไหวต่อเยืนหยัดเรื่องธรรมะต้าทายกับชีวิตทุกชีวิตว่าต้องเป็นกรรมฐานนี่เพื่อปวดปล่อยชีวิตของเราให้ถึงจุดหมายปลายทางให้คุ้มค่าที่เกิดมา เป็นคนเป็นมนุษย์ว่าใช้ชีวิตแบบนี้ก็เมื่อเข้าถึงธรรมชีวิตเป็นธรรมเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นได้ดีเป็นพ่อคนแม่คนก็เป็นเป็นคนดีได้เป็นลูกเป็นเต่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นตำรวจทหารเป็นคนดีถ้าเกิดมีความเป็นธรรมเอาชีวิตทั้งหมดให้เกิดความเป็นธรรม ไม่เกิดความประทํากับชีวิตทั้งหมดนี่มันก็ีทั้งวานทําความดีให้เกิดขึ้นเจอโลกเกิดความสุขสงบร่มเย็นเช่นพระพุทเจ้าของเราเนี่ยกำาพงเกิดเพวกเดียวมาถึงพวกเราตัวันนี่มีสติที่ใดก็ อ, อ, อู้คิดถึงพระเจ้า อันเดียวกับพรเจ้าผู้แฉนเข้าเยดูสึกเยแฉนดอกรู้สึกเหมือนกับพระเจ้าอยู่เฉพาะหน้าเราเหมือนกับเราอยู่เฉพาะด้านพระของพระองค์เวลามันหลงมีกําลังใจที่จะรู้ึ้นมาพระเจ้าเคยหลงเรามนทุกข์มีความรู้สึกตัวขึ้นมาเหมือนพระเจ้าเคยทุกข์เหมือนพระเจ้าช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไร มาทางนี้มาทางนี้เหมือนกับบอกเราอยู่อุ่นจาเวลาไม่มีวิชากรรมฐ า, านมีสติเป็นสถาบันใช้ชีวิตของเราในอย่างไม่วันไดแม่แต่ไม่มีโอกาสก็อให้ชั่วช่างสบัดหูชัว่วหูแลบเล่นยังมีประโยชน์ยังเป็นลอย รอยบุญทำไมต่รอยบาปของบอดมืดไปไม่เห็นทิศเถียนทางเสียชติที่เกิดมามีทางจยู่ดีแท้ทำไมไม่ไปทำไมเปหลงไม่หลงเป็นหลงไม่ช่ยไม่ได้ช่วยึงให้หลงเป็นรู้ไม่ทุกเป็นทุกทำไมาไม่ช่วยเอยงให้ทุกเป็นการดูดพ้นจากทุก อ้อยโกรธมันโกรธทำไมามาช่วยตัวเอ๊ะทาไมให้ความโกรธนอนอยู่กับเราข้ามวันข้ามปีข้ามเดือนข้ามคืนทำไม่เปลี่ยนให้เป็นไม่โกรธเราถ้านไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องมันมีถ้าเราไม่มีกระแสสักหน่อยมันก็มืดได้ถ้าเคยหลงเปลี่ยนรู้มันมีกระแสแล้วติ๊บหลี เหมือนแสงเหงืงอ้อยก็อาจจะไปได้ช่วยตัวเองด้แม่ช่วยคนเื่นไม่ได้ก็ช่วยตัวเองดาวันนี้ก็ผ่านไปแล้วผู้นี้ก็ผ่านไปแล้วเราทําอะไรกันอยู่ <c oughs> เป็น <c oughs> เกิ น, นล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่งบ <c oughs> ประมาณหลงอันเก่าก็ยังหลงอยู่หรือทุกเรื่องเก่าก็ยังทุกข์อยู่หรือ ถ้ามาจังวนเวียนอยู่ที่นั่นไปกันหลุดพ้นมันจะไม่เป็นประโยชน์เราจึงมีวิชากรรมาฐานให้ใหทำเอากายเอาใจทุกคนมีกายมีใจผูกขึ้นมาอย่าจนอย่าจนเราจะเป็นเม็ดเป็นเพื่อนไม่ได้ว่าเวียวเดียวด้ อยู่ด้วยกานชุด้วยกันทุกเดือกันอ๋อได้ยินไหมสมกวรใจเวลาอาภัพพร้อมกัน